ถ้าศีลทำไม่กลับมาโรกาจะวินาศศีลทมกลับมาอยู่ที่ไหนศีลกลับมาอยู่ที่กายศีลกลับมาอยู่ที่วาจาศีลกลับมาอยู่ที่ใจหนึ่งต้องรู้จากคำว่าศีลคืออะไรสองต้องรักษาศีล สามจึงจะเกิดมีศีลเข้าใจไหมครับศีลห้ารู้ไหมเนี่ยข อ, อไปข้อหนึ่งเว้นจากอะไรฆ่าสัตว์ทุกชนิดข้อสองเว้นจากอะไรลักทรัพย์ทุกชนิดข้อสมเว้นจากอะไรเป็นชู้กับสามีปัญญาคนอื่นเขา ข้อสี่เว้นจากอะไรพูดโกหกส่อเสียดเพอ้อเจอ้อพูดคำหยาบสีก็หกเราก็รู้กันแล้วนะโกหกถพูดไม่ตามความจริงส่อเสียดเนี่ยหมายถึงพูดในคนเขาทะเลาะ ก, กันยุคนนั้นในทะเลาะคนนี้โดยสมมติพูดเสียดสีพูดนี่เขาช้ำใจนี่เาเรียกส่อเสียด พูดเพ้อเจอรอหมายถึงพูดมากคุยทั้งวันไม่รู้อะไรมาคุยกันก็นไม่รู้พูดคำหยาบขออาภายัยเช่นชิงหากูมึงอย่างเงี้ยก็เรียกว่าคำหยาบในทางพระพุทธศาสนานะคำหยาบก่อนพูดนคิดก่อนหรือพูดไปแล้วค่อยคิดดี ก่อนพูดคิดก่อนดีไหมอืมถ้าพูดไปแล้วคิดนี่มันผิดได้แก้ไขได้ไหม อ, อ่ยากละได้แต่ก็ยากลุกเหมือนก็แก้วเนี่ยแตกพร่องลุเนี่ยจเจ้ากาวตาช้างไปบัดกรีเนี่ยมันจะเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมอะคำพูดเราก็เหมือนกันสุนทรพูดท่านประพันธ์ไว้ว่ายังไงอะ ถึงบางพูดพูดดีมีศีรษะมีคนรักถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดใจมนุษย์ก็เพราะพูดจาจริงไหมคำว่ามนุษย์จะมีตัวอะไรบ้างเอาหนึ่งมนุษย์ น, น่ะนหนู มอมาดีมะนอนหนูสลอูสออะไรอะไรกะรันเห็นไหมละ่ะมันชอบยอมนุษเราเนี่ยนะยอสักนิดหน่อยดีไหมดีทุกคนชอบยอหมดอ่ะมีใครมั่งชอบดินทาใช่ไหมละ่ะไม่ ม, ไมีพูดตามทมนะสำคัญ ฉันเราก็เจอหน้าพ อ, อ, อเจอหน้าหัวหน้าเราก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะดีไหมยิ้มให้ท่านหน่อยดีไหมยิ้มนี่เป็นเสนีย์หรือเป็นเสน่เสน่ห์ใช่ยิ้มนิดหน่อยแตาบึ้งเหรอเสน่หรือเสนีย์เสนียใช่ใช อย่าไปหน้าบึง้งปกติเราพยายามยิ้มยิ้มพอดีนะอย่าไปยิ้มมากเกินไปนะเดี๋ยวเขาสงสัยเราเขาเอาเราไปโรงพยาบาลศีรษะธรรมยาทำไมลําบากเลยคนเนี้ยเงี้ยศีลธรรมถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโรกาจะวินาศศีลธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดอยู่ในตู้พระไตรปิฎก เนี่ยหลวงพ่อจ้างอ่านเลยนะทุกคนมาอ่านได้เล่มละร้อยทั้งหมดมันมีสี่สิบหานเล่มเลยใครอ่านจบหลวงพ่อจะให้ส5 0พันห้าเลยแต่ต้องอ่านให้จบนะถ้าอ่านจบแล้วเชื่อเหลือเกินว่าท่านจะไม่รับเงินเนะพราะความรู้ในนั้นตั้งส8บปศาสตร์มหาศาลเลย เรียกว่าเป็นโล ก, กวิทูรู้แจ้งโลกเลยอันนี้แค่ความรู้ชั้นชั้นต้นนะเช่นความรู้จากสุตตมัปัญญาความรู้เกิดจากการฟังการอ่านการศึกษาการเล่าเรียนเนี่ยเป็นความรู้ชั้นต้นความรู้ชั้นที่สองเรียกว่าจินตามยปัญญาความรู้ชั้นนี้ฟังแล้วนำไปคิดวิเคราะห์ เรียกวิพัชวานไปแจกแจงแจกดีแจกชั่วแจกถั่วแจกกาแจกป้าแจกน้องแจกคองแจกบึงสมมุติแยกแจกออกมาดูสมมุติตัวเราเนี่ยสมมุติเอาผมไปไว้กองหนึ่งเอาก็ดูไปไว้กองหนึ่งเอาน้อไปไว้กองหนึ่ง ตับเอาไตเอาไส้เอาปรุงพังผืดอะไรทั้งหมดกระดูกเรามีส0 0รอทอนเส้นผมเราทั้งหมดมีหนึ่งล้านเส้นโดยประมาณนะแล้วแจกเขาเรียกว่าวิพัชวาฒแจกแยกออกเป็นกองเป็นกองเป็นกองเราไปหาคำว่าคนเจอไหมเจอไหมไม่เจอเหมือนกับรถโยมเนี่ยจอดอยู่เนี่ย แยกออกมาเนยเอาเกียร์ไปไว้กองหนึ่งเอาแบตเตอรี่ไปไว้กองหนึ่งสายไฟไว้กองหนึ่งคอยไว้ไว้กองหนึ่งกระบะประตูอะไรแค่้งแต่แยกออกเป็นชิน้นเป็นชิน้นเป็นชิน้นเป็นชิน้นเป็นชิน้นเป็นชิน้นหารรถเจอไหมไม่มีอันนี้ก็สายไฟอันนี้ก็คอยอันนี้ก็ลอ้ลอรถอันนี้ก็พวงมาลัยอุปมาณนี้ฉันใดก็ฉันนั้นตัวเราเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรแต่พูดตามธรรมะชั้นสูงนะตอนนี้เกิดตอนนี้เริ่มแก่ยังเริ่มแล้วเนาะยกเว้นบางท่านบางคนอบตอกตอกล้องมันยังหนุ่มอยู่เลยนะมันยังไม่แก่เกิดแก่เจ็บเริ่มเจ็บแล้วบางคนเนะี่ยอย่างหลวงพ่อนี่ก็เจ็บแลวโลกสรารพัดโรค เหลืออะไรกันเนี่ยเกิดแก่เจ็บแล้วเหลืออะไรตายภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตายภาษาภาพเขาเรียกมรณภาพแปลว่าภาพแห่งความตายคนตายนี่ยืนวิ่งได้ไหมได้ไหมไม่ได้คนเราเนี่ยนะหายใจเกิดมาในหายใจสองครั้งโดยสมมุตินะ ครั้งแรกหายใจออกเอาแวะถึงไม่ร้องพยาบาลมันก็ตีก้นให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้เสลิดมันออกตอนสุดท้ายหายใจเข้าอึไปเลยเห็นไหมละ่ะคนตายเนี่ยอะไรไปก่อนหนึ่งทาดลมไปก่อนคือไม่หายใจไง หายใจเข้าไม่หายใจออกตายไหมตายหายใจออกไม่หายใจเข้าตายไหมตายไม่มีอะไรเลยความตายนี่อยู่กับตัวตลอดเวลาเลยฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวตายเพราะมันตายแง่แง่ล้านเปอร์เซ็น่ะทั้งผู้พูดด้วยเหมือนกันตายที่เราอย่าไปกลัวตาย แล้วกลัวว่าก่อนจะตายเนี่ททำอะไรไปบ้างก่อนที่เราจะตายเนี่ทําอะไรไปบ้างธาตุลมไปแล้วธาตดเราธาตอะไรไปธาตุไฟคนตายแล้วในตัวเย็นหรือตัวร้อนเย็นใช่พอธาตุไฟไปแล้วธาตอะไรไปธาตุน้ำหมอพยาบาลเขาเอาสํานีอุดอะไร อุจมูกอุดหูเนาะอุดถ้ายิ่งไม่ฉีดยานีโอ้อันตรายเลยเนี้หลวงพ่อวิชัยเขมีโย ว, วัดธรรมปาโจมเนี่ยหลวงพ่อไปเทศมานี่เขมให้ฉีดยาแล้วหุ่นก็อ้วนด้วยไหมนะ <c oughs> ดูไม่จืดเลยต้องแช่เย็นเลยนะ <c oughs> ให้เย็นขนาดที่ว่าเหมือนกับเราแช่เป็ดแช่ไก่ในตู้เย็นนึกออกไหม ต้องแช่นานนั่นนะนเพราะวันเผาก็ต้อง อ, ออกมาวันนั้นน่ะมันจะละลายใช่ไหมความเย็นจะละลายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยธาตุลมไปแล้วธาตุไฟไปแล้วธาตุน้ําไปแล้วต่อไปธาตุดินเอาไปไหนธาตุดินเนี่ยหมายถึงผมขนเล็บฟันดังนะั้นเองกระดูกทั้งหมดจะเป็นธาตุดิน เอาไปวัดหรือเอาไปป่าเหว้วจริงไหมจริงหรือไม่จริงในที่สุดเขาไปฝังหรือเผาใช่ไหมล่ะเออเมื่อกี้ดูสารคดีประเทศไหนไม่รู้นะเขาใส่รถเข็นปื๊ดเข้าไปแล้วก็ดกรถขึ้นมาแป๊บเดียวไฟวูบแป๊บเดียวไหม้หมดเลยมันใช้กำลังความร้อนสูง น่าจะเป็นอินเดียดยังไงเนี่ยเพราะอินเดียคนมันเยอะไงตายเดี๋ยวก็ชะเอาไปแล้วเข้าไปเนี่ยเขาก็ดึงรถออกมาศพก็มีไฟฟุ้งมาพูหายเลยโอ้มันเร็วนะนความร้อนสูงมันไหม้เรียบเลยลนะ่ะไปเห็นไปดูที่แม่น้ำคงคานะ ประเทศเขามีตึกรอตายด้วยนะเหมือนก็โรงพยาบาลเรานี่แหละใครคิดว่าไม่รอดแน่ไปอยู่ตึกนั่นแล้วก็เรียกตึกรอตายเป็นแถวใครตายเขาก็เอาลงแม่น้าคงคาเสียค่าฟืนหน่อยโอยฟืนเป็นกองๆองไฟไม่มีดับเลยเผาพอหมดฟืนแล้วนะศพมันจะไหม้หมดหรือไม่หมดไม่รู้เขาก็เขี่ยลงน้ำ เขี่ยลงแม่น้ําคงคานะ่ยเป็นอาหารของปลาของอะไรไปเขาไม่ได้เผาเหมือนบ้านเรานะคือก็ไม่อยากพูดพูดไปมันจะกระทบกระเทือนกันเนาะเป็นธรรมดาตามประเพณีเป็นธรมมาอย่างนี้ก็ทําไปแต่ประเพณีนี่ยมันเกิดขึ้นที่หลังที่หลังของพระพุทธเจ้าที่จะตัดสรู้ พระพุทธเจ้าสอนไม่มีอะไรหรอมีแต่ศีลกับธรรมนี่นะที่กำลังพูดนี่แหละถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโรกาจะวินาศเห็นไหมมันลบกันมันฆ่ากันอย่างกับผักกะป๋าเห็นไหมนะเนี่ยศีลธรรมมันไม่มีบางประเทศคำสอนมันนิดเดียวสิบก็ ของเราเนี่ปมสี่พันพระธรรมขันธ์แปดหมสี่พันหัวข้อนั่นเนี่ยโอ้โหอ่านเพลินเลยหลวงพ่อไปอ่านหนังสือพระอรหันต์อยากเป็ น, นรพระอรหันต์วพอพุทธทาสเขียนหลวงพ่ออ่านรวดเดียวจบเลยยิ่งอ่านมันยิ่งดูดดื่มดูดดื่มดูดดื่มมันอยากรู้อยากรู้อยากรู้ อยากเป็นพระอรหันต์พูดง่ายๆอยากจะเป็นพระอรหันต์อ่านสามรอบสี่รอบแล้วมานั่งคิดดูธรรมะในนั้นมันมีอะไรบ้างโอ้มีปริสุทธิสินสี่เองหนึ่งปฏิโมกสังวรสองอินทรีสังวรสมอาชีวะปริสุทธิสินสีเ่เสนาสนะ ปฏิสุด ท, ที่ศีลแค่เนี่ยที่คุบาวิชัยที่โดนสอบสวนในกรุงเทพสมัยเมื่อร้อยกว่าปีเนี่ยคุบาถือศีลกี่ข้อเนี่ยสังกราชก็สอบนะตามประวัตินะผมถือสี่ข้อครับอะไรบ้างแกพูดได้หมดเลยอย่างั้นกลับบาดได้สบายไม่ต้องไปถือมากถือแค่สี่ข้อนั้น ปฏิโมกขสังวรคือสำรวมในศีลของพระสองยข้อเนี่ยมันหมดแล้วข้อแรกก็เป็นพระแล้วสำรวมอินทรีอินทรีหมายถึงความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในการเห็นรูปคืออะไรตาใช่ไหมความเป็นใหญ่ในการฟังเสียงคืออะไรหู ความเป็นใหญ่ในการรู้กลิ่นคืออะไรจมูกใช้จมูกไปแทนลิ้นได้ไหมไม่ได้ความเป็นใหญ่ในการรู้รสคืออะไรลิ้นความเป็นใหญ่ในการสัมผัสร้อนเย็นคืออะไรคือกายความเป็นใหญ่ในการนึกคิดคืออะไรคือใจ นี่แหละตัวเนี่ยสรุปธรรมะครั้งที่หนึ่งมีห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสรุปธรรมะครั้งที่สองมีสมคือหนึ่งหยุดทำความชั่วสองให้ทำแต่ความดีสาม จ, จําละล้างจิตใจข่าวรอบสรุปธรรมะครั้งที่สมครั้งสุดท้ายใจ มีหนึ่งเดียวฉะนั้นเขาจึงเน้นที่ใจงไงสมัยครั้งพระพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ยพระพุทธมีพรามท่านหนึ่งไปทูลถามข้าแต่พระองค์ท่านผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าหมายถึงตัวตัวพรามอายุกว่ามากแล้วเนี่ยมันจะไปเรียนธรรมะวินัยเหมือนหนุ่ ม, มสา ว, สาวเขาเนี่ยมันยาก พ ย, ยาค้างแล้วมีธรรมะอะไรสั้นๆไหมพยาค้าที่จะให้ข้าพเจ้าเรียนรู้แล้วจบเลยพระพุทธเจ้าก็บอกดูก่อนพราหมณ์ให้เธอไปทําจิตให้สงบแค่นี้โยมทุกท่านนี้กำือนกันนถึงจะไม่รู้อะไรหรือจะรู้อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าจิตไม่สงบมันมมทุกข์ไหมโยมมาทุกข์ไหม แต่ถ้าจิตสงบอ่ะสุขไหมสุขสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีฉะนั้นวัดเราเนี่ยมันเป็นวัดสอนกับวัดสงบวัดมีอยู่หวัดอ่ะจะเข้าวัดไหนก็เลือกเข้าหนึ่งวัดสนุกมีปอยมีดนตรีมีลำวงมีอัศ ป, ปะสเ ป, ป, ส ป, ปดอหลวงพ่อไปแล้วปวดหัวเลวัดสนุกดยสองวัดสวด ส่วนมวกันก็นกนดีไม่ใช่ไม่ดีดีทุกวัดอ่ะสามวัดเสกเสกของรังของขังอะไรเนี่ยเสกสี่วัดสอนเนี่ยวัดธรรมพระนี่คือวัดสอนห้าวัดสงบเนี่ยสอนกับสงบจะทำงานอย่างนี้มาตั้งส0มกว่าปีแล้วสอนให้คนรู้จักผิดชอบชั่วดีใช่ไห า, าสินธรรม ธรรมะที่สมเด็จพระสังฆราชวัดปากน้ำขออภัยพูดผิดสมเด็จยังไม่ได้เป็นสังฆราชสมเด็จรัชมังคลาจารย์ท่านในพระแต่งตำลาพวกปรเรียนสูงสูงปรเรีนก้าแต่งตำลามาให้สอนเรื่องศีลธรรมศีลห้ากับธรรมห้า สินห้าเนี่คุณโยมเข้าใจหมดแล้วเนาะเข้าใจหมดแล้วเนาะอันนี้ทำห้านะทำห้าหนึ่งเมตตาถ้าโยมมีเมตตาเนี่ยโยมจะมีสินไหมมีเมตตาโยมจะไปฆ่าสัตว์ไหมไม่ฆ่าใช่ไหมล่ะถ้าโยมมีเมตตาต่อเพื่อนเนี่ยจะไปรักของเขาไหมไม่รักถ้าเรามีเมตตาต่อ สามีพญาาคนอื่นเราจะกล้าไปร่วงเกินสามีปัญญาคนอื่นเขาไหมไม่กล้าเพราะเรามีเมตตาถ้าเรามีเมตตาเนี่ยเราจะไปโกหกคนอื่นเขาไหมไม่เพราะเรามีเมตตาถ้าเรามีเมตตาเนี่ยเราจะไปเสพติดไหมละ่ะเอาสิ่งเสพติดใส่ลงไปในร่างกายเราไหมไม่อะแค่เมตตาตัวเดียวนะคุมได้สินห้าเลยนะต้องมีจริงๆนะ เนตตาสัมมาอาชีพก็ที่สองประกอบอาชีพที่มันถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองประกอบอาชีพที่มันถูกหลักศีลธรรมยากจนไม่ว่ากันแต่ขอให้มันเป็นสัมมาอาชีพก็แล้วกันคืออาชีพที่มันไม่ผิดอาชีพที่ผิดก็นหนึ่งขายของเถื่อน สองจะมือหวยสามขายสัตว์ฆ่าสัตว์ขอภัยพวกฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าโคฆ่ากระบือเนี่ยนะนี่เขาเรียกว่ามิจฉาชีพสี่เป็นโจรป้นขโมยคนอื่นแย่งชิงของคนอื่นเดี๋ยวนี้ระวังนะ เขาเตือนเน่ยคนตกงานก็เยอะคนจนก็เยอะนะไม่จําเป็นอย่าไปเข้าร้านทองนานเกินไปช่วงไหนเราเข้าไปเกิดโจนไม่ไปปล้นอนะ่ะสวยไหมล่ะโดนโดนถังเลขไปด้วยนะจะบอกไงเนะเออมันไม่รู้ใครเรามันยิงทิ้งหมดเลยไงจนก็คือโจนต้องฟังคําว่าผู้ร้ายก็คือเขาล้ายใจเขาล้ายตาก็จะแข็งอันตราย เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสัมมาอาชีพล้เป็นมิจฉาชีพอาชีพที่มันหากินไม่ถูกต้องตามหลักธรรมจากนั้นเราก็พยายามเป็นสัมมาอาชีพทำไล่ทำนาค้าขายรับราชการอย่างพวกเรานี่แหละเป็นสัมมาอาชีพเราประพฤติปฏิบัติไปตามธรรมกัน ข้อที่สามกามะสมังวรหมายถึงการมีสามีภระยาเนี่ยควรจะมีคนเดียวมันก็เหมือนกันน่ะหลวงพ่อเด า, เานะเหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันเราค็รรู้จักพอคำว่าพอดีพอกินพอใช้พอใจเหมือนกับรอเก่าธนวาเนะี่ยให้รู้จักพอ ถ้าไม่รู้จักพอนะมันโอโ้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่านที่ตัณหาสมานทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีในโลกทะเลว่ากว้างใหญ่ไพศาลยังน้อยกว่าปัญหาของคนนะอยากนะใจ ม, มันอยากมันอยากจนตายนะบางคนนะ เงีเขามีเลยก็อยากมีอยากมีอยากมีอยาก ม, ากมีเราไม่มีไปอยากมันอยากได้แต่เอามาก็ต้องติดหนี้ติดสินต้องผ่อนต้องใช้เขาทำไปแต่ามาเงินเดือนหนึ่งไม่เหลือเลยทุกไหมล่ะทุกเรามีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นน่ะไปดูคนป่าดิในสารคาดีเขามีมันอยู่ได้มันยังไงไม่มีบ้านมันก็เอาอะไรไปมุงมุ ง, มง กลมๆเป็นกระต๊อบอยู่ไม่เห็นสร้างบ้านเลยรงเนี้มันหาอาหารมาได้มันก็กินกันมันอยู่ด้วยสัตว์ป่ากินกันอยู่กันไปพวกคนป่านี่ก็มีอะไรธนูหรืออะไรยิงมันไม่มีปืนแอกมันมีธ น, นูยิงสัตว์ทุกชนิต เป็นพวกเป็นลิงเป็นนกเป็นก็ตายเป็นไก่ป่าเป็นอะไรเนี่ยมันโอ้มันยิงมาเลยมันเอามาย่างกินมันมันกินกันสดๆไม่ต้องมีน้ําจุ่มน้ําจิ้มอะไรหรอกข้าวมันก็มีต้นไม้นะเออแปลกมันมีต้นไม้ชนิดหนึ่งตัดลงมาแล้วก็ผ่าแล้วก็ขูดเหมือนข้าวก็หูงเหมือนข้าวเลยนะ กินได้เลยเหมือนข้าวแทนข้าวเลยน้ำไม่มีมันก็ไปตัดเครือไม้อะเครือไม้อะไรไม่รู้ตัดชึกน้ำมันไหลโจกเลยลนะ่ะเข้าปากโอ้เนี่ยเขาเรียกธรรมชาติมันมันเลี้ยงคนได้ไม่ตายง่ายหรอกแต่เราไม่รู้เองวอ่าต้นไม้ชนิดไหนมันมีน้ำเครือไม้เครือไม้อย่างพวกเราเนี่ยโอ้อยู่ดีมีสุขแล้วเนี่ย ข้อที่สี่จาคะสละสลัดออกบ้างความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันเห็นแก่ตัวกันทุกคนเนี่ยแต่เราก็ต้องสลัดสละให้มันเบาบางลงบ้างเห็นแก่คนอื่นบ้างเราจะไปเห็นแก่ตัวมากเกินไปมันก็สังคมก็ไม่ไหวเหมือนเดี๋ยวนี้ทุกคนเห็นแก่ตัว บางคนก็รวยจนไม่รู้จะเอาไปใช้ใช้ชาติหน้ายังไม่หมดเลยมีเป็นแสนแสนล้านเนี่ยจะไปใช้อะไรคนเราแค่กินสามมื้อนอนหลับคืนหนึ่งแค่นนะั้นตื่นขึ้นมากินอีกนอนหลับอีกแค่นี้วนเวียนอยู่เนี้ยจนตายเราต้องคิดชีวิตเราจะเอาแค่นี้หรือมันมีอะไรที่ดีกว่านี้ไม่มี ทานศีลภาวนาไงดีที่สุดเลยแล้วข้อที่สี่ก่อนสมชีวิตตาใช้ชีวิตแต่พอดีข้อที่ห้าศีลห้าธรรมห้าใช้ชีวิตแต่พอดีหมายถึงพอดีใครพอดีมันท่านหัวหน้าท่านก็พอดีของท่านเราเป็นลูกน้องก็พอดีของเราอย่าไปใช้เหมือนกับหัวหน้ามันไม่ได้ ว่าานว่างไงอยากกะร่ำรวยให้รีบค้าขายถ้าอยากชิปหายให้รีบเล่นหวยเบอร์เขาว่างั้นนะจริงหรือไม่จริ ง, ห, รงหัวหน้าจริงไหมจริงหรือไม่จริงหรือเล่นหวยรวยมั้งน้อยเนาะถูกน้อยไอ้คนถูกมันต้องมีบุญวาสนาบารมีมาบางทีมันไม่อยากซื้อมันอยากเอาไปยัดให้คนซื้อ ดันถูกวันที่หนึ่งอีกใช่ไหมลนะ่ะของพระนี้ไม่รู้อ่ะรัฐบาลได้ทุกงวดอ่ะคนคนคนค น, คนซื้อก็ส่วนมากก็แย่ทุกงวดอ่ะรัฐบาลได้กำไรทุกงวดอ่ะเพราะว่าได้เป็นพันล้านนะสนะิบหวันเนี่ยได้เป็นพันล้านเลยนะ อยู่ที่ประเทศลาวเศรษฐกิจมันไม่ดีมันมันจะออกหวยกับทุกวันเลยเดยนเอนคนไทยเราก็ไปติดหวยลาวกันแล้วเดี่ยเนี้โอ้โหการพนันเดี๋ยวนี้นะเต็มเลยยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆรุ่นเก่าเนี่ยถ้ามันมีความอยากเป็นต้นทุนอยู่แล้วนะไม่เหลือนะครับติดแรกอาจจะได้มันมีให้ได้ก่อน ก็ได้ติดใจใช่ไหมล่ะทุ่มเลยเคนนี้หมดมีเท่าไหร่ก็หมดฉะนั้นถ้ามีศีลธรรมครอบอยู่เนี่ยเราไม่ออกนอกกรอบเราอยู่ในกรอบของศีลธรรมเนี่ยชีวิตจะไม่ตกต่ำลุกชีวิตจ ะ, จะเจริญเจริญจริงๆเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าในโลกใบนี้มีใครน่าเชื่อบ้าง ไม่มีเอาตำลามาเทียบกันเลยทุกชาติทุกาศาสนาเอานักปราชญ์ทั่วโลกมาอ่านกันาศาสนาอะไรสอนอะไรสอนอะไรสอนอะไรอ่านแล้วก็ไปไประชุมกันลงมติกันว่ า, าศาสนาไหนสอนถูกต้องที่สุดฟังๆแล้วว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเอกเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่เบียดเบียนกัน ไม่สอนให้ฆ่ากันทำลายกันเบียดเบียนกันไม่มีแต่ศาสนาอื่นมีไหมมีถ้าไม่ใช่ศาสนาเขาเราฆ่าไปอะไรได้บุญอะไรประมาณนี้มันสอนอย่างนี้มันก็คนมันก็ฆ่ากันไม่มีที่สิ้นสุดอของเราเนี่ยไม่ต้องไปอยู่กับพระเจ้าไม่ต้องไปอยู่กับใครเลยไปเลยนิพพานเลยทะลุโลกไปเลย ฉะนั้นพวกเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายนยมันจะหมุนอยู่ในสามสเพบสามเดภูมิเนี่ยภูมิหรือพบเนี่ยหมายถึงที่อยู่ของใจวัดเนี่ยที่อยู่ของพระบ้านคือที่อยู่ของโยมโดยสมมตินะคือจะได้เข้าใจง่ายง่ยนรกสี่นะฟังนะฟังนะนรกสี่มนุษย์หนึ่ง สวรรค์หกเป็นเท่าไหร่สี่หนึ่งหกเป็นเท่าไหร่สิบเบ็ดแล้วฉันผมอีกยี่สิบเป็นเท่าไหร่สามสิบเบ็ดใช่ตอนนี้เราเลือกเกิดไม่ได้เราเกิดมาแล้วนะแต่ต่อไปเราเลือกเกิดได้นะถ้าใครอยากจะไปเกิดในนรกก็ผิดศีลห้าเป็นประจำ ฆ่าสัตว์เป็นประจํารักทรัพย์เป็นประจําโกโหกเป็นประจำบ้าพฤติผิดเป็นประจําเสพติดเป็นประจําพวกนี้ตายแล้วเคี่ยลงเลยนรกแปลว่าห้วงเหวแห่งความทุกข์บางคนเกิดมาหาความสุขแทบไม่ได้เลยนะยกเว้นพวกเราทุกข์ตื่นเช้ามากก็ทุกข์ละทุกข์ว่าทำมาหากินจะไปหาอาหารที่ไหนให้ลูกให้เมีย เนี่ยอย่างกบพม่ามันไปฆ่าพระที่ไหนเนะี่ยเมียมันจะคลอดลูกมันไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนให้ฆ่าคลอดลูกมันก็เข้าวัดไปขอเงินเจ้าวาดเจ้าวาดก็บอกไม่มีลูกมันก็หาวิธีพอเจ้าวาดเข้าห้องน้ำมันก็หาก้อนอิดเน่พอออกมาก็ทุบโป้ง จะไปเ ห, เหลือโดนเต็มเต็มหน้าชักตายค้นเงินท่านได้ไปกี่พันก็ไม่รู้ไปให้ภรรยาไปกอดบุตรแต่ตัวเองต้องไปนอนในคุกข่าพระข่าคนโอ้บาปหนักลูกเอยคือเขาไม่มีความคิดก้าวไกล เขาไม่มีความคิดไม่มีทางออกอ่ะคนราพันตันนะ่ะนะมันจนพี่จนน้องจนข้าวจนของจนเงินจนทองอักขระว่านะแต่ไอ้จนใจนี่เนะี่ยที่มันฆ่าตัวตายในส่วนมากจนใจนะไม่มีทางคิดไม่มีทางไปไม่มีทางออกไม่รู้จะไปกู้ไปยืมใครที่ไหนได้ฆ่าตัวตายเลยเห็นไหมบางคนผูกคอตายโดดน้ำตาย เนี่ยจนใจเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยเข้าวัดฟังธรรมมั่งไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอะไรหนึ่งขายแรงงานสองขายเสียงสามขายความคิดจะขายเลยดี ช่วยตอบหนะ่อยจะขายอะไรดีขายแรงงานมันก็ได้แค่เนี่ยวันนั้นสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยถามว่ารวยไัม ย, ยากถ้าไม่มีทรัพย์สมบัตินะพออยู่พอกินไปแค่นี้ขายเสียงหมายถึงพวกนักร้องโอ้โหนักร้องเดี๋ยวนี้มันมัน แม่พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทั้งหลายนี่มันก็เอาไปติดทีเป็นล้านๆเลยนะเออไม่ยกไม่ยกโอ้โหมันมันติดเสียงอะไรขนาดนะั้นหรือมันหลงเสียงนางหรือเปล่านะโอ้อะไรเพชรต้านแพ่นอะไรเนี่ยดูดูผ่านๆไปในะมีหลายคนนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีพวงมาลัยคล้องนะเหมือนก่อนนะมีแต่เงินคล้องเต็ม โอ้ยไปแสดงทีหนึ่งค่าตัวไม่ต้องเอากไ็ได้เงี้ยแบงร้อยแบงห้าร้อยแบ่งพันติดแล้วเป็นหน้ามาเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวนนะเราก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันน่าจะมาถวายพระอย่างนั้นนะดีกว่าไม่ต้องไปหลงเสียงนางจริงไหมล่ะ พระเทศเนี่ยได้ความรู้ได้อะไรเยอะแยะขายเสียงสมัยสายยันสุรพลใช้เมืองสิงห์นะู่นนะสมัยก่อนโยมหัวหน้าน่าจะรู้จักรุ่นเก่าๆออือแล้วก็นับพูด คุณโน้ตเงี้ยพูดทีได้ยี่สิบสามสิบล้านอะ่ะ โ, โ, โอ้โหโอ้โหพวกตลกพวกอะไรเนี่ยมันคนมันติดอ่ะนะมันมีอยู่สองสองแก๊งที่มันพวกนักพูดะนะพรคกลางอีกแก๊งเนึงอะไรสามคนนะ่ะมาเล่นละครกันนะอนั่นแหละพูดทีก็ได้เป็นล้านล้า น, ล, านล้านเหมือนกันนะ นี่เขาเรียกว่าโอ้โหขายเสียงแล้วก็ขายหัวด้วยนะอย่างไออาจารย์เฉลิมชัยแล้วนี่ขายอะไรพออเขาขายอะไรขายหัวขายความคิดใช่ไหมละ่ะดูดิเนะีย่ยแกก็โบกวากโวยวายเหมือนกันแต่ใจแกดีแกมาหาหลวงพ่อหลายครั้งก็มาช่วยสร้างสถูปนี้ด้วย วันกีหลวงพ่อพูดเรื่องภพภูมินรกสี่มนุษย์หนึ่งสวรรคหเป็นเท่าไหร่สิบเอ็ดแล้วก็ชั้นพรมอีกยี่สิบเป็นเท่าไหร่สามสิบเอ็ดที่เนี่ยเราตายปุ๊บนี่นะเราจะไปสามสิบเอ็ดที่นี่แหละเขาเรียกว่าพอตายใจจะขาดปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมนิมิตมันจะมาปรากฏเลย คนคนตายนะเห็นนะแต่คนอื่นที่นั่งนั่งอยู่นี่ไม่เห็นนะกลัวแล้วกลัวแล้วบางคนนะบางคนบอกมืดมืดเปิดไฟทีเปิดไฟทีโอโหนี่สงสารมืดกับไหนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะมืดสัตว์เดรัจฉานคืออะไร ช้างมา้าโคกระบือเป็ดไก่สุนัขสุกรเนี่เราอยู่พวกลมติดกันนะเนี่ยมนุษย์ยนเนี่ยอยู่พวกลมกับหมากับแมวกับอยู่ด้วยกันเนี่ยเนีาเรียกสัตว์เดรัจฉานแปลว่าไปขวางขวางแผ่นดินน่ะหัวมันขวางไปอย่างเงี้ยไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์หัวตรงใช่ไหมล่ะมะนุษย์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขน ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนคนตัวอะไรบ้างคนเนี่ยหนึ่งเอาพูดทีพูดทีตัวอะไรขอควายใช่ไหมสองอะไรนอหนูเอาคิดเอาเองระหว่างควายกับหนูอยู่ด้วยกันเห็นไหมคนทั่วไปสามัญชนก็เรียก ปุทุชนปุถุนี่แปลว่าผู้หนาหนาแปดหมื่นสี่พันโยชนแผ่นดินนี่หนาแปดหมื่นสี่พันโยชนแผ่นดินลงไปเป็นอะไรเป็นน้ำใต้น้ำลงไปเป็นอะไรเป็นเป็นลมใต้ลมเป็นอะไรเป็นอากาศว่างๆเห็นไหมนะในพระไตรปิฎกก็เขียนไพระพุทธเจ้าเขียนไม่หมดเลยใต้ดินน่ลงไป ทำไมแผ่นดินไหวโอลมมันพัดข้างล่างไงใช่ไหมล่ะลมมันพัดนแะผ่นดินมันก็ไหวดิขนาดถ้ำยังโอ้โหเอียงไปเอียงมาหลวงพ่อบอยพระรีบออกเลยกลัวหินมันจะยุบวูบกลายเป็นพระเฝ้าถ้ำกันหมดเลยตัวหนึ่งออกมาไม่ได้นะ่ะตายหมดถ้าหินยุบลงมานะ่งอันตราย นรกสี่เนี่ยนรกเปรตเปรตเปตะแปลว่าหิวเห็นไหมไปเห็นรูปตามวัดไหมก็วาดไว้ท้องหย่อยแต่ปากเท่าลูเข็มนิดเดี๋ยวแต่หิวกินอิดกินหินกินปปดินกินทรายกินสับปะสเปดในพูดตามธรรมนะเปตะเปร ต, ปรตพีเห็นไหมเขาทำบุญได้เปรตตะพี ญาติบางคนไปเป็นเปรตยังไม่ได้ไปเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องอรออาศัยจากญาติพี่น้องไปทําบุญให้การตําราเขาบอกมานั่งกันเป็นแถวมาดูพี่น้องกูมาหรือเปล่าหมายถึงมาทําบุญหรือเปล่าถ้าเห็นพี่น้องมาก็ยิ้มใจชื่นใจอิ่มใจกูได้กินแน่แะไรประมาณเนี้ย บางคนรอแล้วรอเล่าไม่เห็นแม้แต่ลูกหลานเหลนไม่มีมาเลยพวกนี้ก็หิวโหยไปกินของใครเขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำให้ให้เราเห็นไหมเนะี่ยประเพณนี้ไอ้ไพสางเรียกอะไรอะไรดินดินนะเออข้าวประดับดินเนี่ยโอ้โหเห็นก็ทำาปันเหมือนกับเลี้ยงบรรพบุรุษอะไรประมาณเนี่ยแต่มันเป็น การแสดงออกซึ่งน้ำใจกตันญูกตเวที่ตาคุณคนใดที่มีความกตันญูรู้คุณพระพุทธเจ้าบอกว่าคนนั้นเป็นคนดีเห็นไหมละ่ะเอาความกตันญูกะตะเวที่ตาคุณวัดอย่างพวกเราเนี่ยสงการทีปีใหม่ที่ก็ดำหัวพ่อแม่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนมีความกตัญญูรู้จักคุณคน ไม่ลืมคุณพ่อคุณแม่โอ้ oh, ถ้าลืมคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้ไม่ได้คนนั้นเน่พ่อแม่เราถึงจะชั่วช้าสารเด็วอย่างไรก็ช่างท่านเตอะหน้าที่เราคือนับถือกราบไหว้บูชาช่วยมีอะไรให้ผมช่วยบ้างครับพ่อแม่เห็นแม่กวาดบ้านก็นบอกแม่แม่ไม่ต้องกวาดหนูช่วยกวาดเองแม่ก็ชื่นใจเห็นไหมลนะ่ะ เห็นแม่ถูบ้านแม่แม่ไม่ต้องถูหนูช่วยถูเองแม่ก็เบาใจเห็นแม่ล้างจานแม่แม่ไม่ต้องล้างหนูช่วยล้างเองแม่ก็สบายใจจริงไหมที่พูดมาในจริงไหมแล้วมีใครเคยทำบ้างแม่น่าจะมาอบรมตั้งนานนะแต่ไมทได้ทำเนาะ ก็แม่ทํางานมาเหนื่อยๆเนี่ยท่านลูกเอาน้ําเย็นสักแก้วเนี่ยไปให้ท่านพ่อแม่จะชื่นใจไหมลูกชื่นใจเขาบั้งเราบั้งนึกถึงอกเขา อ, อกเราเหมือนกันหรือไม่ก็พอทําได้แล้วก็ทําไปเถอะลูกทําไปแม่ปวดแคลงปวดขาไม่บีบสักนิดเดียวท่านอาจารย์ก็ชื่นใจแล้วพ่อก็เหมือนกันพ่อปวดตรงไหนเด้นโนบีบให้แค่เนี้ไม่ต้องมาก พ่อแม่คันนึกโอ้โหลูกกูเนี่ยตั้งแต่ไปอบรมวัดทำพิธานัน้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยเห็นไหมมันเปลี่ยนนิสัยไปเลยเราเป็นคนดีลูกเปลี่ยนกลับปิ้งปลาก็จะต้องกลับไปกลับมาแล้วนิสัยเราเปลี่ยนได้นิสัยหมายถึงความเคยชิ น, ค ว, ค, น, ชนความคุ้นชินความคุ้นชินฉะนั้นเราไม่เคยคุ้นชินฝึกสติเนี่ยนะ อ ย, อยู่ตอนตายมันจะนึกถึงอะไรได้เลยนึกถึงไม่ได้ตายแบบมีที่พึ่งนี่ตายเป็นสุขนะคือพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตายตายแบบไม่มีที่พึ่งเขาเรียกว่าจิตมันปวดแล้วจิตมันปวดแล้วปวดแล้วมากไม่มีที่เกาะเลยก็ไปลงนรกเปรตสุรกายสัตว์เดชานไปลุกแต่ถ้าเราทำบุญถือศีลห้าเป็นประจำนะ ตายไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่เป็นมนุษย์ชั้นดีกว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อว่าเองนะพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้หลวงพ่อก็เอามาอ่านอ่านผ่านผ่านจำได้ก็เล่าสู่กันฟังตอนนั้นเองแต่จะใครให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาพอสมควรก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาสร้างห้องน้าห้องสุขาสร้างถนนหนทางขุดบ่อน้าสงเคราะห์สังคมเนี่ย พวนี้ตายไปก็ได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งสวรรค์มีหกชั้นชั้นจาตุมชั้นยามาชั้นดาวดึงชั้นดุสิตชั้นนิมานรตีชั้นปรานิมพิทวสวรตีเนี่ยหกชั้นตามกําลังของบุญเนี่ยสวรรค์เป็นชั้นเป็นชั้นแบบตู้อย่างนี้เนี่ยเขาพูดไว้ในตํารายว่าอย่างนั้นอยู่เป็นชั้นเป็นชั้นนรกมนุษย์สวรรค์เนี่ย อีกสองพันปีก็ไม่เหลือไหมหมดไฟไม่ลยกันจะไหมโลกไหมหมดเลยสามโลกนี่นรกโลกมนุษย์โลกเทวโลกแต่ผมมาโลกไหมไม่ถึงเพราะมันสูงสูงขึ้นจากสะรา์มาอีก8ปด0มื่นสี่พันโยดโยดหนึ่งมีสิบหกกิโลต้องคูณไปดิแปด0มสี่พันโยดโยดหนึ่งมีสิบหกกิโล โอ้ไม่ธรรมดานเะหนึ่งล้านสามสกิโลเลยไม่ใช่ไกลๆ น, นั่นๆประเทศไหนต่าประเทศไหนไม่รู้เนะี่ยฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทนะพยายามโยมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านรักษาศีลให้เขาดูกระตัตนยุยเขาได้เห็น เป็นร่มโพล่มใสให้ลูกหลานได้พึ่งความเย็นบ้างไม่ใช่เป็นร่มมะาพร้าวร่มอะไรเงหล่นใส่หัวลูกหลานหรือเป็นร่มโพล่มใสให้ลูกหลานได้ร่มเย็นมึงเนีย่ยสำคัญนะศีลธรรมชั้นพรมยี่สิบชั้นเนี่ย ต้องได้สมาธิก่อนตายนะสมาธิจิตนี่สมาธิแปลว่าเป็นหนึ่งเดียวไม่วกแวกจิตตั้งมั่นมีอารมณ์หเาเาเรียกสมาธิชั้นที่หนึ่งเ็าเรียกปฐมวิชาญวิตกวิจารปีติสุขเอกตาหาอารมณ์รวมกันเรียกว่าสมาธิชั้นที่หนึ่ง วิตกหมายถึงอะไรหมายถึงตรึกนึกพุทโธพุทโธอย่างนี้เป็นต้นว <ma> ิจาร์หมายถึงอะไรวิจารหมายถึงประคับประคองไว้ไม่ให้ไม่ให้พุทโธมันหายไปจากใจประคองไว้พุทโธให้อยู่กับใจเนี่ยอยู่กับใจเนี่ยถ้าหายก็ดึงมาใหม่ฝึกอยู่เงี้ยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหายก็ดึงมาใหม่ทาอยู่เงี้ยไม่เกินปีหุ่นยม โยมต้องได้สมาธิชั้นใดชั้นหนึ่งแน่นอนพระพุทธมันอยู่กับใจตลอดสองสามสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยปิติมันเกิดตัวที่สมปิติคือความแช่มชื่นสุกกายคุตตกาปิติปิติเป็นพักๆกันิกาปิติปิติเป็นขณะขณะเห็นไหมบางคน ฝึกไปน้ำตาไหลนึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์พรรณนาปิติซาบซ่านสมัยก่อนหลวงพ่อมาอยู่ทำภาพใหม่ๆเนี่ยเคยไปฝึกอยู่ข้างในถ้ำมืดข้างบนนู้นนั่งไปยืนไปเดินไปนอนไปมันเป็นถ้ำมือดอละนะมันมีอยู่วันหนึ่งมันเหมือนคนเอาน้ำแข็งมาลาดสา เย็นไปหมดทั้งตัวเลยวันนั้นมันเย็นผิดปกติมันเย็นจนหาความร้อนไม่ได้เลยมันมีความรู้สึกเย็นกายสบายกายมันเย็นอยู่ได้หลายชั่วโมงเหมือนความเย็นเหมือนกับเราเอาเหล็กไปเผาไฟร้อนๆดึงออกมาเนี่ยความร้อนมันยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ แล้วออกจากสมาธิก็เหมือนกันเราออกตอนใจมันเย็ยนออกมาใจมันก็ยังเย็ยนอยู่นั่นแหละสมาธิชั้นที่หนึ่งประกอบไปด้วยองค์ห้หนึ่งวิตกวิจารปิติแล้วก็สุขสุขนี่หมายถึงสุขใจนะแล้วเอกคตาในะหมายถึงความเป็นหนึ่งของใจไม่วกแวกไปมาเห็นไหมละ่ะไม่วอกแวกไปมาเลย สมาธิชั้นหน่งสมาธิชั้นที่สองวิตกวิจาร์หายไปเหลือแต่ปิติสุเอคตาสมาธชั้นสมาธิชั้นที่สามปิติหายไปเหลือสุเอคตาสมาธิชั้นที่สี่สุหายไปเหลือเอกตากับอุเบคาแลอยู่เป็นสมาธิชั้นที่สเขาเรียกรูปฌานส่วนอรูปฌานน่ะมัน อีก4นี่มันละเอียดมากอากาศสานันจา ย, ยะตะนะคือเพ่งอากาศเป็นอารมณ์คิดดูสิความละเอียดอ่อนของจิตอเนชาพิสังขารสังขารหมายถึงสิ่งปรุงแต่งใจนะมันปรุงแต่งขึ้นไปจนสูงสุดนี่วกนี้ต้องฝึกทั้งชีวิตเลยมันงั้นยาก อ า, อากาศเป็นอารมณ์อาจินจัญญายจตนะอาจินจัญญาเจตนะความไม่มีนี่มันมีอยู่โยงว่าจริงไหมความไม่มีมันมีอยู่จริงไหมเช่นโรคปวดหัวเนะี่ยโยงเคยปวดหัวไม้มมีอยู่ไหมแต่เราดึงออกมาได้ไหมดึงออกมาให้ดูนี่นะคือโรคปวดหัวนะได้ไหมนั่นนะคือนามธรรมา รูปธรรมนี่หลวงพ่อยกอย่างเงี้ยนี่คืออะไรดอกไม้ใช่ไหมนี่ยกตัวอย่างให้ดูได้เอาวเวลามันจะถึงสิบเอ็ดโบนะมันเร็วนะอาเดี๋ยวตอนนี้นี่คืออะไรเทียนมีกี่เล่ม สมมุติเราเป็นพออเป็นหัวหน้าเนี่ยเวลาเขาเชิญจุดเทียนเราจะจุดเล่มไหนก่อนเล่มซ้ายหรือเล่มขวาเล่มขวาลุกเล่มขวามือหลวงพ่อเนี่ยขวามือพุทธรูปจุดขวาเราย้ายไปจุดซ้ายแล้วก็ไปจุดธูปสามดอกเทียนนี่จุดแล้วมันมืดด้วยสว่างสว่างตาด้วยแสง สว่างตาด้วยแสงไฟสมมุติสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมมืดภายนอกเพราะขาดไฟสมมุติตอนนักเขืนปิดไฟลงสลาในมืดไหมมืดนี่ก็เรียกมืดภายนอกเพราะขาดไฟมืดภายในใจเพราะใจขาดอะไรถูกต้องขาดศีลขาดธรรมมืดเห็นไหม ที่หึงพ่อเล่าข้างต้นว่าโยมก่อนจะตายมืดมืดมืดเปิดไฟทิ้งแสดงว่าเขาไปสู่ที่ไม่ดีแล้วใจเขามืดอย่างนี้เป็นต้นเทียนสองเล่มเล่มที่หนึ่งบูชาคุณพระธรรมเล่มที่สองบูชาพระวินัยพระธรรมกับพระวินัยรวมกันเรียกว่าพระพุทธศาสนา เพราะโรคนี้มีปัญห า, าศาสนาจึงเกิดขึ้นโยมว่าจริงไหมขนาดมีาศาสนาปัญหายังเกิดขึ้นอยู่ไหมไม่มีหมดนะลูกมีทุกาศาสนาช่วยกันนี่ยแต่แล้วคนมันก็ไม่อยู่ในล่องใน้อยกรอบของาศาสนานั้นๆทีนี้ปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นกับมวลมนุษย์จริงไหม ขานี่มันขาลงเขาเหลืกกุรียุคเนะคนต่อไปเนี่จะค่อยเตี้ยลงสลาวันเตี้ยลงสลาวันเนอะเมื่อก่อนคนแปดศอกนะสมัยพุทธเจ้านะเดี๋ยวนี้เหลือกี่ศอกเนี่ยสี่ศอกถึงไหมต่อไปก็เหลือสามศอกสองศอกศอกเดียวเหลือสองพันปีกว่าคนจะสอยพริกสอยมะเขือกินอีกสองพันปีไม่ต้องมาเกิดแล้วรุ่นเราเนี่ยเนาะ ไม่ต้องมาเกิดเดืนลุกไปสวรรค์เลยทำบุญให้ทานรักษาสินจเจริญภาวนาไปนี่คือความหมายของการจุดเทียนนะนี่คืออะไรทูปไม่กี่ดอกสามดอกดอกที่หนึ่งจุดเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจา้าว่าโดยย่อมีอยู่สามคนหนึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิง่ง สพระองค์ทรงมีพระปัญญาที่คุณอันยิง่งสามพระองค์ทรงมีพระบริสุทธิ์ที่คุณอันยิง่งนี่ทูบสามดอกนี้จุดเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าทูบสามดอกเนี่ยจุดติดแล้วสมมุติมันไม่ดับนี่มัน ไ, มหมไหม้หมดไหมหมดไหมสมมุติมไม่ดับมันก็ต้องหมด พวกเราเกิดมาที่นั่งอยู่เนี่ยรวมตั้งหลวงพ่อด้วยตายหมดไหมหมดไหมหมดทุกคนไม่มีเหลืออุปมาเหมือนทูกจุดแล้วเนี่ยตอนนี้เราจุดแล้วบางคนก็คึ่งแล้วบางคนก็ค่อนแล้วใช่ไหมอย่างหลวงพ่อนีอ่ค้อนนีนแล้วี่ยเจ็ดสิบกว่าลวปีเนี่ยเดี๋ยว้ค่อนแล้นะเนี่ยหลวงพ่อนีอน่หลายกี่ปีอยู่ได้ถึงสิบปีก็บุญแล้วเนาะเข้าใจไหมเรื่องทูบเข้าใจไหม อันนี้เรื่องดอกไม้ดอกไม้นี่สวยไหมสวยหรือไม่สวยมันจะสวยแบบนี้ตลอดไปไหมต่อไปมันต้องเหี่ยวแห้งหายไปที่สุดจริงหรือไม่จริ ง, ด, รงดอกไม้ในบูชาคุณงามความดีของหมู่สงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมอยู่มีไหม ถ้าเรหันมีไหมเดี๋ยวนี้มีแต่เราอาจจะไม่พบไม่เจอก็อยู่ในปา่าในเขาในไหนผู้ที่บวชมุ่งตรงต่อพระนิพพานมีไหมมีเยอะผู้ที่บวชมุ่งเพื่อหากินมีไหมมีมันมีทุกรูปแบบลูกเพราะพระก็มาจากลูกชาวบ้านทุกองค์กรมีดีมีชั่วจริงไหมจริงหรือไม่จริงจริง นี่ดอกไม้ในบูชาคุณงามความดีของมู้ทรงผู้ทรงศีลทรงธรรมที่ได้สืบสืบสืบสืบทอดทอดทอดทอดต่อต่อต่อกันมาเนี่ยสองพันกว่าปีนี่เพราะมีใครมีพระสงฆ์คอยสั่งสอนอย่างหลวงพ่อสมมุตินะหลวงพ่อบวชมาก็สั่งสอนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยตั้งแต่สอนนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกสอนมาเรื่อย แล้พระโตองค์ทรงตัดบอกอนโนอนอโนนให้เธอเอาดอกไม้มาบูชาเราตถาคตหมายถึงพระพุทธเจ้านะสักสิบสวนพระองค์ว่ากันนะก็ไม่เท่าเธอประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลธรรมเพียงครั้งเดียวเห็นไหมไม่สู้ปฏิบัติศีลธรรมเพียงครั้งเดียวอนนพ่อจะถามตอนสุดท้ายเนี่ย หนึ่งการรู้จักศีลสองการรักษาศีลสามการมีศิลเหมือนกันหรือต่างกันหนึ่งต้องรู้จักศินก่อนครับผมถ้าไม่รู้จักศินถ้าล8ิแปดเราจะรักษาได้ไหม ไม่ได้แล้วดูหนังสือก็มีคําแปลเนี่ยข้อไหนห้ามอะไรข้อไหนห้ามอะไรเราต้องรู้จากศีลไม่ใช่ไปรับกับพระกับตุกับเจ้าเสร็จแล้วลงมามีศิลมันไม่ใช่นัน่นเป็นเรื่องสมมุติสมมาทานวิลัตณ์หนึ่งสมมาทานวิลัตณ์สมาทานวิลัตณ์หมายถึงไปขอรับศีลกับตุเจ้าสองสัมปตวิลัตณ์ไม่ต้องรับศีลกับพระเลยศีลเกิดที่ใจมิฮิลิโอตปะ มีคุณธรรมสองข้อเนี่ยก็มีสินแล้หิริความละอายต่อบาปอตตะปะความสะดุ้งกลัวผลของบาปสามสมุเทเฉทพระหารพระอดิยะเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านไม่ยอมสินขาดแต่ท่านยอมตายเห็นไหมละ่ะเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมเนี่นะไม่ยอมสินขาดแม้นแต่นิดเดียว อยู่ครองธาตุขันเพื่อรักษาศีลเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาไม่รู้เท่าทันธาตุสี่ขันธ์มากทาไม่ต้องการรู้อะไรมากรู้จากรูปรู้จักนามแค่นี้พอรูปหนึ่งนามสี่รูปก็คือหนึ่งรูปสองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เรียกนาม เวทนาเนี่ยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมีแค่นี้วันหนึ่งคืนหนึ่งสุขทุกข์เฉยๆสุขทุกข์เฉยเวทนาสัญญาความจําได้หมายรู้ถ้าอายุหกเจแล้วก็ชักลืมหน้าลืมหลังแล้ใช่ไหมนะสัญญาไม่ดีแล้วสังขารหมายถึงสิ่งปรุงแต่งจิตสิ่งปรุงแต่งใจเนี่ยสมมติเป็นขวดน้ำเนี่ยสมมติน่ะเป็นขวดน้า น้ำนี่ใสสมมุตินะนึกเอาเองถ้าหลวงพ่อเอาสีดําใส่ไปน้ํานี่จะแปลเป็นสีอะไรสีดำถ้าหลวงพ่อเอาน้ําสีแดงใส่ไปน้ํานี่จะกลายเป็นสีอะไรสีแดงถ้าหลวงพ่อเอาน้ําสีเขียวใส่ไปน้ํานี่จะเป็นสีอะไรสีเขียวน้ําใสนี่เปรียบเสมือนใจเราสมมุติสมมุตินะเปรียบเสมือนใจ ใจเราถ้ามีสีดำไปผสมมันก็เป็นคนหลงหลงตนจนลืมตายหลงกายจะลืมแก่หลงสามีภรรยาจนลืมพ่อลืมแม่หลงเล่าหลงกาเจ้าจนลืมคุกลืมตลาดมีไหมหลงแบบนี้มีไหมอาจมีได้ถ้าหลวงพ่อสีแดงใส่ไปน้ำนี่จะแปลสภาพเป็นสีแดงหมายถึงใจ มีความโกรธมากโทสะจ้องจับจะทำร้ายคนอื่นก็อยู่เป็นประจำถ้าหลวงพ่อสีเขียวใส่ไปน้ำนี่จะแปลสภาพเป็นสีเขียวเหมือนกับใจมันจะมีความโรคอย่างเดียวเห็นอะไรใครก็อยากได้หมดอยากเอาหมดความโรคความโรคความโกรธความหลง จะชำระล้างได้ด้วยไงด้วยสติสมาธิปัญญาเนี่ยล้างล้างใจนะใจนี่มันสั่งสมกิเลสมากกี่ภพกี่ชาติรู้ไหมไม่รู้อยู่ๆ ย, ยาออกปุ๊บเดียวได้ไหมยากเช่นของดองเนี่ยมะยมดองมะขามดองมะม่วงดองสับปะรดดองสมอดองอะไรสมมุติสมมุติ สิ่งดองๆเนี่ยเอาสิ่งที่หมักดองในนั้นออกมายากไหมยากแต่กิเลสที่มันดองใจเราเนี่ยน่ะเช่นไห ม, ค ว, มความโกรธ ด, ดองใจความโกรธดองใจความหลงมันดองใจมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติเราเกิดมาเนี่ยอยู่ๆจะมาเอาออกเนี่ยมันยากยิ่งกว่าเอาของหมักดองออกจากผลไม้โยไม่จริงไหมเนี่ยมันยากขนาดนั้นนะแต่ไม่ได้หมายถึง ทำไม่ได้นะทำได้พระพุทธองค์ทรงบดทรงพยายามทำในสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้ยากคือมีใครบ้างที่จะทนทำความดีตลอดชาติมีไหมมีแต่น้อยจงสละในสิ่งที่บุคคลอื่นสละได้ยากคือสละความเห็นแก่ตัวออกให้หมดเลยเนี่ยไม่มีตัวตนแ้ น, นี่ไม่มีอัตตามีแต่อนาตตา ยากไม่ยากเห็นไหมลงทาในสิ่งที่บุคคลอื่นทําได้ยากแต่ถ้าเราทําได้แล้วเราจะได้ไชื่อว่าง่ายแล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งในนั้นคนมีความรู้น่ะเยอะแต่ที่คนขาดเยอะๆก็คือคนดีจริงไหม คนรู้เยอะจบปริญญาตีโทเอกด็อกเตอร์กันเยอะนึ่งมันจบง่ายเหลเือเกินขอให้ไปเรียนให้มีเงินคาดเทอมมันก็เต็มสุดเรียนบ้่งขาดบั่งก็ยังได้ถึงเวลาสอบก็กให้ไหมเอาเงินในี่ยเขาหน่อยนึงมันก็เลยแต่ด็อกเตอร์ด็อกอะไรทางนั้นอนเดนน่ยไอความรู้จริงๆไม่ค่อยมีจริงไหมท่านว่าจริงไหม ความรู้ในศาสตร์ที่เรียนน่ะไม่ค่อยมีฉะนั้นเราต้องพยายามเรียนรู้โดยตนเองบ้างรู้มากๆรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้วิชามีวิชานะ่ะโหไม่ต้องกลัวเอาตัวรอดเอาสุดท้ายให้ถามเปิดให้ถามถ้าจะถามอะไรก็ถามได้เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรม เดี๋ยวหน้ามีอะไรจะถามไหมถามได้เลยเนอะไม่ต้องเกรงใจตอบได้ก็ตอบว่าตอบได้ตอบไม่ได้ก็ตอบว่าตอบไม่ได้แค่นั้นแหละใช่ไหตอบได้หมดอะละไม่มีอะไรแต่ถามก็จบเท่านี้เนาะสาธุท้ายที่สุดหลวงพอ่อพร้อมด้วยคณะนะสงฆ์ทุกรูปทุกองก็ขอตั้งจิตอธิษฐานขอนอยวยพรให้ท่านทั้งหลาย จงเจริญด้วยอายุวันะสุขะพระปฏิพานตนัสสารขอให้ได้ทรัพสมบัติให้ได้สวรรคสมบัติให้ได้นิพพานสมบัติโดยทั่วหน้ากันทุกทุกท่านทุกทุกคนเธอทุสาทูสาอนุโมทามิแผ่เมตตาว่าตาม สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาหนุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยปัะชาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนิข้าหุนโต จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตางปะลิหะรันตูตนงนตจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งปวงเถิดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชาราผูชาที่เกิดเป็นอันทะชาที่เกิดเป็นสังเสริฐชา ที่เกิดเป็นโอปาติก า, ก า, กาจงมารับกุศลผละบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ไปให้นี้นโดยท่วนทัว่วทุกตัวสัตว์เถินสาธุสา สาธุโมทามิ